น a m o t a s ะ a bhagavato arahato samma samputassa namo ส a s s a bhagavato arahato samma s a m p u t a ส s n g a v a t samma s a m p u พุทธังธัมมังสังขังนามาสะมิโตปะรังสกจังธโมสตัโธติแนวกาสต่อไปก็ใา้กันตั้งใจฟังธรรมะจะนั่งสมาธิฟังก็ได้เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติ อยู่เฉพาะหน้าคือทำจิตของเราให้มันมีความสงบเพราะการฟังธรรมนั้นก็จะสอนในวิธีที่จะทำจิตให้สงบนั่นเองแตาพระปกติจิตของคนเรานั้ น, นมีความประภัสสนอยู่เป็นบางครั้งจิตจะประภัสสน มีความผ่องใสอยู่ตามธรรมชาตินี่แหละแต่เมื่อเรารับรู้ในอารมณ์เข้ามาแล้วนะเรามีไอจตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจ เ, เราก็รับรู้ในอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดภพธรรมลมเข้ามาจะรับรู้เข้ามามากมากขึ้นใจที่เคยมีความสงบ ก็จะวิ่งไปกับอารมณ์เมื่อใจวิ่งไปกับอารมณ์มากมากะก็ทำให้ใจเนี่ยวุ่นวายอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อเรามีการนอนหลับพักผ่อนก็ดีนั่นก็เป็นการพักกายไปใจก็ที่วุ่นวายมันก็สงบลงไปได้แต่ถ้าความวุ่นวายในใจมันมีมากขึ้นมา จนว่าสติอ่อนเกินไปแล้วก็จะไปปัญหากับสุขภาพได้เกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าจิตนี้มันรับรู้อารมณ์มากขึ้นแล้วมันก็วุ่นวายไม่สงบแต่ว่าคนเราที่ยังอยู่ได้ทุกวันก็เพราะว่ายังมีสติหรือมีความตั้งมั่นของใจได้อยู่ในระดับหนึ่ง เเป็นธรรมชาติว่าเมื่อเรารอบรู้อารมณ์อะไรก็ตามจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาวเวทนานะทางกายทางใจล้วนเกิดมาแต่เหตุแต่เมื่อเหตุนั้นมันดับไปเมทนาทางกายก็ดีทางใจก็ดีก็ดับไปด้วย ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปอย่างเช่นว่าเรามีความรู้สึกชอบใจแต่ความรู้สึกที่ชอบใจนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปเป็นสภาวธรรมเป็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หนับไปเรามีความทุกข์ทางใจมีความขัดข้องทางใจมีอารมณ์ไม่ชอบใจ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผละภาพธรรมารมณ์อันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจปัถนาใจก็เป็นทุกข์แต่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จิตเนี่ยเข้ามายึดถือเอาทุกข์นี้สุขนี้ความรู้สึกทั้งหลายนี่ว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเรา เราเป็นเจ้าของของความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้พิจารณาว่าความสุขความทุกข์นี้เนี่ยนะเป็นขันเป็นกองเป็นขันว่าเป็นเวทนาขันซึ่งเวทนาขันนี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงความรู้สึก ท, ăn, ที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะหาความคงทนถาวรเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ไม่มีแต่เมื่อใจยังไม่มีณปัญญาก็เข้าไปยึดถือว่าเป็นเราจริงๆเป็นเขาจริงๆ เมยึดถือแล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จำเอาไว้จำเอาไว้ว่ารูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้กลิ่นรสผปภัพอย่างนี้เป็นความสุขหรือความทุกข์หรืออุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์หรือจำได้ในรูปที่เราชอบใจหรือไม่ชอบใจบางครั้งเมื่อเราไปอยู่ในความสงบ สัญญาอารมณ์หรือว่าธรรมารม ณ, มณีก็เกิดขึ้นมาที่ใจเกิดขึ้นมาถ้าสติปัญญาไม่พอแล้วก็จะไปยึดถือเอาสัญญาอารมณ์นี้ว่าเป็นเราหรือของเราอีกคือมีเราขึ้นมาในอดีตที่ผ่านมาคนนั้นเขาว่าเราคนนั้นก็ชมเราเป็นต้นเมื่อมีเราที่อดีตก็มีเราอยู่ในปัจจุบัน มีเราอยู่ในอนาคตด้วยมีความยึดถือในสัญญานั้นอีกเมื่อยึดถือในสัญญานั้นก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาใหม่อีกก็เป็นเวทนาอีกเมื่อเป็นเวทนากระปรุงแต่งอีกก็เป็นสังขารเมื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจิตเรูนะ่ะก็เป็นวิญญาณเห็นหมมีทั้งปประขันนาขันเกิดขึ้นมาแล้วในใจ เไปยึดในอุปทานขันทั้งห้านะก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจนั่นเองเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัตินมาภาวนากันมาสร้างกำลังสตนะิกำลังปัญญาของเราให้มีกำลังมากขึ้นมีพละที่เข้มแข็งขึ้นเพราะที่เรามีอยู่กันในปัจจุบันก็เป็น สติหรือปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนเขียนอ่านทาหน้าที่กิจการงานบริหารในการงานของเราอยู่ซึ่งต้องอาศัยความอดทนอดกัน้นต่อการดำรงชีวิตของเราเพราะสังขารทั้งรูปกายสังขารมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าสังขารเนี่ย รูปสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเราก็เคยเห็นคนที่เรารู้จักตายไปก็มีมีโครคภัยแข่เจ็บโรคชนิดร้ายแรงก็มีมากก็เป็นโอกาสที่เราจะมพิจารณาน้อมาว่าเราก็เองก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันสังขารนี่มันเหมือนกันเกิดมาจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมาประชุมรวมกัน วันหนึ่งมันก็มาเสื่อมมันก็สิ้นไปรูป ก, กายสังขารนี้มันก็เสื่อมสิ้นไปเกิดโรคภัยแค่เจ็บในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปนะสตัตร์ปวงตนเราเขาไม่ได้เรามาหลงยึดวัวนี้คือเรานี่คือของเราอันนี้เป็นความหลงเมื่อเราเป็นมีความหลงก็ชือว่าเรานะไม่เห็นตน พระพุทธเจ้าสอนให้เรานี่เห็นตนคําว่าเห็นตนก็มีความหมายลึกซึ้งนะเห็นตนที่เราว่าที่เราเคยยึดว่ามันเป็นตนอยู่เนี่ยโน้เบทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนนะคือนี่เรายึดถือในตนว่ามีตนอยู่เมื่อเรายึดถือว่ามีตนอยู่เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตนตามความเป็นจริง ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งสมมุติคําว่าตนนี้เราเขานี้เป็นสิ่งสมมุติความจริงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระหาแก่นสารหาตัวหาตนจริ ง, รงๆไม่ได้นี่เ ร, เราเห็นตนนะเห็นตนว่าไม่ใช่ตนนั่นแหละคือเห็นตนที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราของเรานี้มันไม่ใช่มีเราของเราใจของเราก็ไม่ทุกข์ ใจก็ไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาสามพจ์ชงขึ้นมาเป็นองค์อันหนึ่งที่เราจะได้ตัสรู้ได้เห็นธรรมะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกมาเพิ่มพลังละพลังธรรมดาเนี่เราไม่สามารถต่อสู้เอาชนะอารมณ์ได้นะก็ต้องมาปฏิบัติกายวิเวกนะวางอารมณ์ จากหน้าที่การงานในเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งล้วก็มาภาวนาเนี่ยนะจากบ้านจากที่ทำงานมาปฏิบัติอยู่ที่วัดวางอารมณ์ทั้งหลายมาทำจิตของเราให้มันนิ่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็อบรมกรรมฐานคือธรรมชาติของใจมันจะวิ่งไปกับอารมณ์เสมอเนี่ยนะ วิ่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเปิดธรระถ้าก็ทำมารมความคิดมาวิ่งไปอย่างนี้จิตก็ไม่สงบเมื่อจิตไม่สงบนี่นะเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเป็นจริงได้ไม่สามารถเห็นตนได้เหมือนน้ำในตุ่มในบ่อนั่นแหละน้ำมันยังมีโคนมีตมอยู่มันก็ขุ เราก็ไม่สามารถจะมองเห็นก้นบ่อก้นหนองก้ น, น, อนของบึงได้หรือน้ำเรามาเอามาเอาไว้ในตุม่มนะถ้าเราเอาสารส้มไปแกว่งแล้วตะกรอน ก, นก็จะนอนก้นไปก็น้ำก็จะใสนะจิตของเรานี้ก็เหมือนกันนะ่ถ้ามันเจออารมณ์เนี่ยเสียงกลิ่นรสปธภาษธรรมรมเนะี่ยจิตวิ่งไปละจิตก็ ไม่สงบวุ่นวายไปเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นๆเราก็ต้องมาฝึกโดยมาอยู่วัดโดยมีกายยวิเวกนะสำรวมระวังกายวาจาของเราแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาจิตเตาวิเวกนะจิตเตาวิเวกก็มาสํารวมในจิตของเราอีกไม่ให้จิตของเรามันปรุงแต่งคิดนึก นะวุ่นวายไปกับอารมณ์ข้างนอกนะจิตตวิเวกก็กมาสํารวมจิตของเราให้สงบนิสการที่จะทำจิตให้สงบนี่มีหลายวิธีการตรงนี้นะักปฏิบัติจะสงสัยกันมากนะจะใช้กรรมาฐานบทใดใช่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนะลมหายใจเข้าลมหายใจออก เราต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยจะคิดนึกปรุงแต่งไปนะนี่เราจะใช้กรรมฐานบวชด้ก็เพื่อต้องการให้จิตสงบรวมเข้ามาเป็นอารมณ์เดียวไม่คิดเรื่องอื่นนะเราจะใช้คำบริกรรมภาวนานึกในใจว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมสังโฆก็ดีแล้วก็นึกมากๆ เม่ยืนเดินนั่งนอนเรานึกถึงพุโทโธนะทำโมสังโคอย่างนี้อยู่เนี่ยจิตของเราจะสงบเข้ามาสงบเข้ามาแต่บางครั้งจิตเนี่ยมันก็ควบคุมยากถ้าบางทีพระกรรมฐานคำว่าพระกรรมฐานก็คือพระท่านมีงานการงานมีกรรมฐานคือมีอารมณ์ของใจที่จะทำให้ใจสงบ อยู่วัดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เคยชินไม่สงบก็เข้าไปอยู่ในป่ามีช้างมีเสือเอาเสือบ้างเอาช้างบ้างนะเอาผีบ้างเป็นอาจารย์แหะบางทีอาจารย์สอนว่าเออชีวิตไม่แนนอนความตายเป็นของแนนอนนะเราใกล้ตายแล้วนะอย่าประมาทฟังดูก็จะธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อไปอยู่กับ ผจญกับอันตรายจริงๆมีช้างมารอบรอบมีสัตว์ไล่มาอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเป็นธรรมชาติของจิตมันก็ต้องหาที่พึ่งเมื่ออาวุธอะไรก็ไม่มีก็ต้องมีธรรมอาวุธคือมีเมตตาเป็นธรรมมาวุธเป็นอารมณ์แล้วก็ฝึ ก, กจิตด้วยกรรมฐานอบรมพุทโธนี่ จใจอยู่กับพุโทโธไว้เมื่อจิตกระจายอยู่กับพุทโธเป็นอันเดียวกันขึ้นมาแล้วจิตก็จะอาจหารขึ้นมาก็ไม่กลัวไม่กลัวกับความตายเพราะว่าเกิดขึ้นมาชาติใดมันก็ตายคนเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ตายครั้งเดียวนะยังไงก็ตายแน่นอนมาตายกับคุณงามความดีตายกับการบริกรรมภาวนาปฏิบัติตามความสอนของพระพุทธเจ้า จิตก็มีกำลังอาจหารเบิกบานใจชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์หาอยู่หากินกันไปเหมือนกัตสัตว์ทั้งหลายมีช้างมีเสือมีสัตว์ในป่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราเองนี่คือเหมือนกันก็มีทุกข์ของกายสังขาร น, นี้ตามธรรมชาติก็ไ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ทาใจให้มีอารมณ์เบิกบานในธรรม เมื่อจิตสัมผัสการทาแล้วก็มีความเบิกบานมีความผ่องใสอาจหารไม่กลัวอันตรายอะไรเมื่อไม่กลัวอันตรายอะไรธรรมะยอมรักษาผู้ประพฤติทำเอาไว้เพราะว่าใจนั้ก็มีธรรมะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อย่างนี้น่ยจิตก็มีความสงบขึ้นมาได้นี่บางครั้งท่านก็ต้องเข้าป่า หรือไปทุดงดอกขวัญอยู่ลุกขมมลฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาทรมานจิตที่มันคิดเนึกปรุงแต่งอยู่เสมอนี่นแหละให้มันสงบลงมาได้เมื่อจิตสงบลงมาแล้วกว่าจะพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีเรานะทุกคนกลัวที่สุดก็คือความตายถ้าไม่กลัวความตายแล้วก็ไม่กลัวอะไร เมื่อชีวิตเกิดมายังไงก็ต้องตายแล้วจะไปกลัวทําไมเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาการฝึกจิตทรมานจิตเจนี้ก็จะเกิดประโยชน์จิตจะสงบแล้จะเข้าใจในธรรมะเห็นความเป็นจริงได้เห็นตนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงเนี่ยคนเห็นตนขึ้นมา เป็นกายวิเวกเป็นจิตวิเวกนะโอปปะทิพิเวกขึ้นมาได้แต่เมื่อพวกเราก็ยังมีหน้าที่การงานที่รออยู่มากมายก็มาฝึกปฏิบัติอยู่วัดนะมาอยู่วัดหรือบางครั้งเราจะอยู่ลุกขมูลบ้างก็ได้นะอยู่ใต้คนไม้ภาวนาเพื่อจิตนี่มันตื่นขึ้นตื่นตัวกลัวภัยขึ้นมา อาจจะไม่สบายกายนักแต่ว่ามันจะได้ผลจิตมันจะตื่นเร็วจิตจะไม่หลับหลประกับการหลับการนอนความเพลิดความเผินขึ้นมามนเป็นการฝึกจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนี่ย่อมจะนําความสุขมาให้มาจิตตังทันตังสุขขาวว่าหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมจะนําความสุขมาให้เราเพราะเราต้องมาฝึกจิต เราให้อาหารกับร่างกายแล้วเราก็ต้องมาให้อาหารใจอาหารทาง จ, จิตใจจิตใจก็ต้องการอาหารก็คือธรรมะถ้าใจมิตโรโลภมิตรโกรธมิตรหลงไปแล้วใจก็จะเศร้าหมองเรื่อยไปมีแต่ความทุกข์แต่ความทุกข์นี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาอีกแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะยังมีเหตุอยู่ ใจก็จะต้องทุกข์ระทมอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใจมาฝึกธรรมะมีธรรมะนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างเราพยายามฝึกกันพยายามแหละมาวัดก็ตามอยู่บ้านก็ตามนะพยายามฝึ ก, กจิตใจของเราอย่าปล่อยไปแตมันเพลิดเพลินไปในความสุขวันหนึ่งเนี่ยร่างกายมันผูกมันพังมาแล้ว เราจะไม่มีปัญญาจะรู้เท่าทันในสังขารที่มันเสื่อมมันสิ้นเนี่ยเออมันไม่ได้เกิดไม่ได้แก่แต่คนอื่นนะโครคภัยไข้เจ็บก็ดีมันก็จะมาเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานี่เหมือนกันเราจะมาเจ็บมาไข้เหมือนกันเราก็จะต้องตายเหมือนกันแต่ก่อนจะตายก่อนจะเจ็บร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ก็ควรที่เราจะต้องมาบาเพ็ญปฏิบัติภาวนานะสร้างความดีเอาไว้ นะสร้างทานสร้างศีลสร้างการภาวนาไว้พัฒนาให้ใจของเรามันก็มีความฉลาดมีความรู้รอบมีความรอบรู้ในกองสังขารในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณ น, นีนะ้ตามความเป็นจริงมเมื่อรู้ตามความเป็นจริงได้ใจของเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์ วางเฉยในอุเบกขาเป็นอุเบกขารานุเบกขายานเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกจิตหรือปฏิบัติไปเนี่ยบางทีเกิดวิปัสนาญาณนีปัฏณะความรู้แจ้งญาณที่จะรู้แจ้งขึ้นมาเราจะรู้แจ้งขึ้นมาได้ว่าสังขารเนี่ยมาหน้ากลัวสังขารเนี่ยไม่สวยไม่งามสังขารนี้มันจะมีความแตกสลายไป มีแต่ความดับไปดับไปอยู่เสมอแล้วก็สังขารนี้เนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนอะไรต้องตายแ น, น่นอนเราครั้งจะเห็นสภาวะความเป็นจริงขึ้นมาเป็นวิปัสนาญาณแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจเป็นญาณที่จะทำให้เรามีความรู้ความเห็นขึ้นไปเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้ว ความศรัทธาจะมีมากขึ้นเพราะเรามาเห็นชัดในใจของเรา น, นวาการปฏิบัติธรรมะนั้นได้ผลจริงๆเห็นผลในการปฏิบัติจิตของเราสงบขึ้นมามีปิติมีความสุขใจมีความอิ่มใจเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น เรามีโอกาสดีมีร่างกายแข็งแรงก็ควรที่จะปฏิบัติภาวนาคิดอยู่เสมอว่าชีวิตไม่แน่นอนนะ้าร่างกายเรามาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเดินจะกลมเราจะนั่งสมาธิก็นั่งไปได้นะก็ต้องนั่งรถเข็นแล้วเพราะเดินไม่ได้เดินไปนานๆไม่ได้เมื่อเรายังเดินได้อยู่ยังมีกำลังอยู่ก็ต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาทางด้านจิตใจล่ะ การเรียนการรู้การทําการงานเราก็มีปัจจัยสีที่เราอยู่ได้เป็นเครื่องอาศัยแต่ถ้าใจไม่ได้พัฒนาเราก็จะตายไปเปล่าไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแบบเก่าแต่ถ้าเราพัฒนาจิตใจจิตนี้มันจะบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมีธรรมะในจิตใจจะเราเห็นธรรมะนั่นเองในเบื้องต้นมันก็ยากมันก็ลําบากทั้งนั้น ทําไมจิตมันวุ่นวายนั่งสมาธิก็ไม่สงบแสดงว่าเรายังนั่งน้อยเกินไปในระหว่างวันเรายังสง่งจิตของเรามันคิดนึกปรุงแต่งมากเกินไปไม่ได้สํารวมจิตใจเราก็ต้องมาฝึกสํารวมจิตใจของเราให้มันสงบให้มากขึ้นมาพัฒนาดวงจิต ด, ดวงใจดวงนี้ ให้มีอัตมีธรรมขึ้นมาเมื่อเรามีความเพียรความยายามในการฝึกจิตใจของเราสติก็จะดีขึ้นนะความเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วในความดีกุศลก็รักษาเอาไว้ถ้ากระทาให้เกิดขึ้นมาเมื่อความเพียรของเรามันถึงขึ้นมาแล้ว บางครั้งเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นขึ้นมาเห็นสภาวะธรรมในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นสมมุติทั้งนั้นแม้เชษว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของสมมุติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปถ้าเราเห็นว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี่แหละมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราจะแสวงหาในวัตถุสิ่งของข้างนอกมากมาย เอาเพียงพอที่เราอยู่ในโลกนี้ได้แต่เราก็ไม่สังสมแล้วเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็จะมีศรัทธาในการทำทานนี้เป็นปกติในใจเห็นสภาวะธรรมคนทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ต้องตายทุกคนเดินไปสู่ความตายพอเป็นเช่นนี้แล้วเราก็จะต้องตายเหมือนกันนี่ะเราจะเอาอะไรไปในโลกนี้ได้ล่ะ ในที่สุดมาสุดท้ายก็ต้องตายในโลกนี้เราเอาอะไรไปไม่ได้ที่เราเป็นอยู่ก็ควรสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างคุศส่เอาไว้ในจิตใจของเรานี่ยมันมากๆไม่ปล่อยให้การเวลามันล่วงไปในความเพลิดเพลินให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในเบื้องต้นเรยกว่าเรามีศีลห้าเกิเราละบาปนั่นเองถ้าเราไม่ละบาป บำเพ็ญบุญก็ได้บุญครึ่งเดียวแต่ถ้าเราละบาปด้วยบำเพ็ญบุญก็จะได้บุญร้อยเปอร์ซแล้วก็มานั่งสมาธิฝึ ก, กจิตมีอารมณ์กรรมาฐานเหมือนพระท่านภักดกรรมาฐานแล้วก็เป็นโยมกรรมาฐานเหมือนกันมาอยู่วัดก็เป็นโยมกรรมาฐานเดี๋ยวมาปฏิบัติกรรมาฐานใช้อารมณ์ของใจเห็นพุโทโธเป็นต้นควบคุมใจของเราที่มันกวัดแกว่ง จนจิตสงบก็จะมีสภาวะธรรมปรากฏลึกซึ้งขึ้นมาในใจอย่างที่อธิบายว่าเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นใจของเร า, าจะไม่ยินดีเลยนะจะเป็นของเราคนเดียวในโลกนี้เราก็ไม่สนใจแล้วเพราะจิตเราเห็นชัดแจ้งแล้วว่าสิ่งในโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่งนั้นเนี่ แล้วก็ยังเห็นต่อไปว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายแล้วเราจะอยู่ยังไงนะไฟแห่งความแก่ความเจ็บความตายกําลังเผาเข้าใกล้เข้ามาทุกทีทุกขณะทุกคนทุกสัตว์ทุกชีวิตเราก็จะต้องสแสวงหาทางออกแล้วออกจากความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ออกทางใจโดยการมาปฏิบัติก็ไม่ใช่ออกมาบวชหมด ถึงเรามีหน้าที่การงานอยู่แต่ว่าใจของเราก็มีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าในชีวิตนี้ของเราการไปอยู่ของเรานี้เป็นอยู่เพื่อที่เราจะมาปฏิบัติธรรมะจะมีคุณค่ามหาศาลเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจถึงพร้อมแล้วก็มุ่งปฏิบัติภาวนาฝึ ก, กจิตของเราให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาให้มีสมาธิปรากฏขึ้นมาให้ได้ จะเพียงพยายามขนาดไหนเราต้องมีจุดมุ่งหมายหรือบางทีทั้งโลกเขาวาสร้างความหวังสร้างความหวังเอาไว้ว่าเราหวังว่าวันหนึ่งเราก็จะได้มีสมาธิหรือเป็นเศรษฐีธรรมมีสมาธิธรรมปรากฏขึ้นในใจของเราให้ได้เราก็ต้องบูรุษทางหรือว่าการปฏิบัติที่จะเป็นเศรษฐีธรรมมีสมาธิธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นเขาทาอย่างไร าาพระาวกของพระองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าสืบต่อกันมามีนุ้งปู่ ม, มั่นจนถึงนุ้งปุ๋ชาธพโธของเราเป็นที่สุดท่านทําอย่างไรท่านสอนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามปลึ ก, กจิตของเราให้ได้ให้เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นให้ได้ปกติเราก็มีความตั้งใจมั่นของเราอยู่ระดับหนึ่งแล้วแหะแต่ความตั้งใจมั่นระดับนี้ก็ยังไม่พอที่เราจะ เข้าใจและรู้เห็นในธรรมะเราก็ต้องมาทำจิตของเราให้มันนิ่งสงบนะเราจะได้รู้จะได้เห็นในธรรมะเมื่อสมาธิหรือความตั้งมั่นของใจเราปรากฏขึ้นมาได้นิ่งขึ้นมาได้อย่างนี้น้ามัใจของเรานิ่งเราจะมาพิจารณาในกายก้อนนี้เราก็จะเห็นชัดว่ากายก้อนนี้แนหะที่เราว่าเป็นเราหรือของเราเนี่ย มันจริงหรือเปล่าแล้วเราอยู่ตรงไหนห อ, อาการ32 อ, อยู่ในกระดูกท่อนไหนมีเราอยู่ตรงไหนเราก็ถามใจเราเนี่ถามแล้วก็ไม่มีไม่มีคำตอบเลยนะไม่เห็นกายนี่เขาบอกเลยเขาเป็นเราตัวใจนี่เองนะเป็นคนไปบอกว่าร่างกายนี้เป็นเราไปยึดไปถือเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิเกิดปัญญาเราจะรู้ขึ้นมาได้ รู้ด้ยความคิดรู้ด้ยความนึกต่อมารู้ดยการภาวนาเกิดความรู้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าจริงๆจิตมันจะมีความอาจหานในธรรมะเพราะเข้าใจความเป็นจริงตอนเราพิจารณาเห็นแจ้งชัดทาลายสกยายญาณิถิวิจิกิจฉาสิรพาตาปรามาตตตอนนี้สำคัญเริ่มเห็นแจ้งชัดขึ้นมาแล้วจิตนียแยกจากกาย เห็นชัดๆว่ากายมันไม่ใช่ตัวไม่ใจะตนจริงๆนี่เราจะทำลายสกายยะทิฏฐิจนในน่สุดก็ทำลายได้อย่างถาวรเข้าสู่ความเป็นพระรยะบุคคลในเบื้องต้นเทวพโสดารบัญบุคคลพระโสดารบัญบุคคลนี่ท่านว่า252ส่วนอีกส่วนหนึ่งมาแบ่งสามารถเป็นพระมหาจากักรพรรดิครอบครองหมหาสมุทรทั้งสี่ได้ มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ให้พระโสดาบันบุคคล น, นี้นะงเป็นบุคคลที่ตกกระแสเห็นธรรมะแล้วไม่ไปเกิดในอวัยภูมิแล้วสามารถจะเกิดขึ้นกับจิตใจของญาติโยมได้ทุกคนถ้าปฏิบัติภาวนาอบรมจิตใจอย่างเช่นสมัยพุทธกาลธนานาถามินกาเศษีก็ะามหรือว่ามหาอุบาสิกา นางวิสาขามหาบสิกาก็ตามก็เป็นพระระยาบุคคลในเบื้องต้นทั้งนั้นพวกเราเมื่อมุ่งปฏิบัติก็จะสามารถรู้เห็นในอัดในธรได้ก็ขอให้ศรัทธาตั้งมั่นอยู่ในทานสินภาวนาภาวนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาถ้าเกิดจะพัฒนาจิตดวงนี้แหละมันมีความสงบสุขขึ้นไปจนว่าดับความโลภโกรธหลงได้ละก่อนที่ผ่านพอเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารบิ ญ, ญาณ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นอนัตตานะตังเคล่นพระปัญจวัคคีฟังทำเรื่องอนัตตสูตรเห็นไหมก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์พอให้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอนัตตางั้นในเบื้องตน้นให้เรามีความเชื่อมั่นมั่นเพียรในกรรมฐานของเราเมื่อเรามีโอกาสแล้วเดินยืนนั่งนอนบริกรรมพุทโธไว้ บางครั้งเราก็พิจารณากายก้อนสังขานี้ให้สงบนะเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือโมริกรรมภาวนาอย่างสองพิจารณาแล้วสงบทําทั้งสองอย่างนี้จิตเข้าสู่ความสงบแล้วมีปัญญาแล้วจะได้เห็นธรรมนะก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกานทุกทกท่านเถิด